พระแม่ฉีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งจากวัดป่าสุกโตนะผู้หลงบุคคาทองแล้วก็ที่ปักช่องอาสมวิริยธรรมนะซึ่งเป็นเครือข่ายนะของวัดป่าสุกโตจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะเพราะว่ามีงานที่สวนโมกกรุงเทพเป็นงานชื่อว่าบูชาคุณนะหลวงพ่อคำเขียน ปีที่แล้วก็จัดมาครั้งหนึ่งนะแต่ปีนี้จัดพิเศษเพราะว่าให้มีการปฏิบัติธรรมสามวันแล้วก็มีการบรรยายธรรมเป็นการปิดท้ายที่จัดก็เพราะว่าวันที่สิบสองสิงหาคมนะอีก3วันเนี่ยนะเป็นวันคล้ายนะวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็ไม่ใช่อ่ วันคล้าวันเกิดทั่วทไปนะอแต่เป็นวันคล้าวันเกิดครบรอบนะแปดสิบนปะีถ้าหลวงพ่ อ, อยังมีชีวิตถึงวันนี้นะท่านก็จะมีอายุครบแปดสิบปีนะในวันที่สิบสองสิงหาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับหลวงพ่อนะเนื่องในวันเกิดนะพ่อหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อย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 หรอบเนจะ็ดสิบสองปีทำหนังสือเรื่องรู้สื่อๆนะแล้วก็มีเท่านั้นแหละแล้วก็มาหลังจากนั้นอีกสนะี่ห้าปีก็เริ่มมีนะการปลูกป่าเนื่องในวันสิบสองสิงหาเพื่อเป็นที่ อ, อนุสรณ์ให้กับหลวงพ่อนะ เป็นการทำความดีถวายหลวงพ่อในวันคล้ายวันเกิดของท่านก็ไปปลูกป่ากันที่ภูหลงเข้าใจว่าตอนนั้นจะเริ่มเริ่มทำปีห้าเจ็ดก็คือสองปีที่แล้วแล้วก็เป็นปีที่หลวงพ่อได้มรณภาพนะหลังจากนั้นก็ทำเรื่อยมายพอถึงวันสิบสองสิงหาก็จะมีการปลูกป่าเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยบอกว่า ชีวิตของท่านเนี่ยมีสองสีกนะเสี้ยกนั่คือการปฏิบัติธรรมท่านก็ทุ่มเทเพื่อการปฏิบัติและการสอนธรรมะอีกเสีกนึ่งก็คือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็งานอนุรักษ์ป่าที่ยังค้างค า, าอยู่นะก็ก็คือที่ผูหลงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปปลูกป่านะก็เป็นการสืบทอดปณิธานของหลวงพ่อที่ยังปลูกป่าก็ปลูกกัน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 คำสอนที่โดดเด่นของหลวงพ่อแล้วก็กระชับนะท่านพูดอยู่เสมอว่าเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะปีนี้ก็จะเป็นปีที่สองแล้วก็เป็นปีที่พิเศษเพราะว่าครบแปดสิปนะีแห่งชาตกางหลวงพ่อก็อย่างที่พูดเอาไว้นะก็จะมีการปฏิบัติธรรมด้วยนะสมวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะพวกเราออกจากสุขโตไปก็ถึงสวนมกุงเทพนะ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 อันนี้ทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมไปจากที่นี่ก็เพื่อไปอร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอจัจเรยาบูชานะการบูชาก็ทําได้สองอย่างนะบูชาด้วยสิ่งด้วยสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนอันนี้เรียกว่าอมิสบูชาแต่บูชาที่ผู้เจ้าสารเสริญก็คือปฏิบัติบูบบบชานะก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า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 มีข้อสงสัยอะไรก็ปรึกษาครูบาอาจารย์นนะแล้วก็วันที่12ก็จะเป็นวันพิเศษนะก็จะมีการบรรยายมีการบรรยายธรรมมีการอภิปรายนะเรื่องสืบสืบสารปณิทากของหลวงพ่อนะตอนเช้าเรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไรตอนบ่ายนะอันนี้ก็อบอกกล่าวไว้นะเผื่อว่าคนที่ได้ยินคําบรรยายนี้นะ จากทางอินเทอร์เนต็ตนะก็จะได้หาเวลาว่างนะไปร่วมนะปฏิบัติร่วมงานนี้ด้วยนะจะเป็นการปฏิบัติรมก็ดีจะการไปฟังทำก็ดีก็ดีทั้งนั้นแล้วงานนี้ก็ยังมีหนังสือสามเล่มออกมานะปีที่แล้วก็มีสองเล่มนะออกมาเนื่องในงานนี้นะปีนี้มีสามนะ ก็มีหนังสือประวัติหลวงพ่อนะีชื่อว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้สีสีทั้งเล่มเลยนะสีสีทั้งเล่มเลยนะเป็นการชิมลางเพราะว่า เ, าเล่มใหญ่ยังไม่ออกมาก็ออกมาในงาน80ดสิปีก่อนนะเล่มใหญ่อาจอมมางานแปดิบสี่ปีหลวงพ่อก็ได้ครบเจ็ดรอบอีกเล่มนึ่งก็ลําลึกถึงหลวงพ่อคําเขียนนะพิทใหม่นะเป็นครั้งที่สามแล้วก็น้าก็เดิมแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นรวบรวมคัดเลือกความคาสอนของหลวงพ่อนะสนุกรู้สนุกเห็นก็ทั้งหมดนี้ก็แจกฟรีนะใครที่ไปร่วม ง, งานก็ได้รับหนังสือนี้นะโดยเฉพาะวันที่12แล้วก็มีการเปิดตัวหนังสื อ, อเล่มนึงแต่ไม่ได้แจกนะเขาขายแต่ว่าก็สืบเนื่องกับหลวงพ่อได้เหมือนกันนะก็คือรอยคาธรรมยาตานะของสนิทแมนมณีนะ ก็มีภาพแล้วก็คำกรอนเกี่ยวกับธรรมยาตราซึ่งก็เป็นงานที่หลวงพ่อได้เริ่มมาไวตั้งแต่ปีส3สและทั้ก็ไปร่วมเดินจนกระทั่งปีสุดท้ายก็คือปีห6นะอันนี้ก็เปิดตัวเหมือนกันพวกเราก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้มากอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะแต่ว่าเราก็อยากจะทำสิ่งดีๆถวายหลวงพ่อหนังสือก็ไม่ใช่หนังสือเล่มใหญ่นะไม่ใช่หนังสือประเภทหนาเป็นกิโล แต่ว่าก็เกิดจากความศรัท ธ, ธาตัวหลวงพอ่อแล้วก็พยายามเอาสติปัญญาที่มีความศรัท ธ, ธ า, าที่มีกับหลวงพอ่อนำมาให้เกิดสิ่งที่ดีงามนะเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมปีนี้ก็จะมีการปลูกป่าอีกเหมือนกันนะสิบสองสิงหาแล้วก็ยี่สิบสามสิงหานะยี่สิบสามสิงหานี้ก็เป็นวันมรณภาพหลวงพอ่อ สิสิงหาเนี่เราไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษที่นี่นะที่สุขโตนะแต่ว่าจะไปมีกิจกรรม23สิบสามงหานะก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีเรื่องการปลูกป่าก็ดีเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านให้ความสําคัญนะเสี้ยกึงของหลวงพ่อก็เป็นเรื่องของธรรมะการสอนธรรมอีกเสี้ยกึงก็คือการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงปฏิบัติบูชาถวายหลวงพ่อ โดยปรารอาวันสำคัญของท่านไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันมรณภาพเราก็จะมีสองส่วนนี่แหละนะเป็นอย่างน้อยนะก็คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็การปลูกป่านะลูกศิษย์ลูกหานะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคารวันะนะก็ใครว่างนะหรือถนัดนะในเรื่องใดก็ไปทำนะในเรื่องนั้น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 บรรลุทำได้นะอย่างข้อความที่เขียนไว้ตรงเนี้ยในในแผ่นไม้เนี้ยอันนี้ก็เป็นคำของหลวงพ่อนะที่ท่านบอ ก, กไว้ว่าเนี้ยธรรมะนี่ก็คือตัวธรรมชาติจริงๆไม่ได้นอกเนจากธรรมชาติไปที่ไหนเราจะบรรลุธรรมด้วยการสังเกตจากธรรมชาติก็ได้เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าเนี้พ่อถ้ามีสองซีเนี้ยที่จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละไม่เป็นซีธรรมะหรือซีธรรมชาติก็ฝากบอกกันไว้นะ ใครที่มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ชักชวนกันมานะงานบูชาคุณ 9-12 นะสิงหานี้แล้วก็เตรียมรับพร